วิธีหงายบาทและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงหงายบาทอย่างนี้เจ้าวัฏลิชวีนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุทั้งหลายแล้วนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญสงข่วมบาทข้าพเจ้าห้ามสมโภคกับสงข้าพเจ้านั้นกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้แล้วขอการงายบาทกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามละ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 ขอการหายบาทต่อสงถ้าสง์พร้อมกันแล้วพึงหายบาทเจ้าวัฏทลิชวีให้สมโภคกับสงได้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงข้ามบาทเจ้าวัฏทลิชวีห้ามสมโภคกับสง์เจ้าวัฏทลิจฉวีนั้นกลับประพฤติชอบ หายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอการหงายบาดสงหงายบาดเจ้าวัฏทลิชวีให้สมโภคกับสงได้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการหงายบาดเจ้าวัฏทลิชวีให้สมโภคกับสงได้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง เจ้าวัฏธาลิชวีสงหงายบาทให้สมโภกกับสงได้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นกรุงเวสาลีตามพระอัธยาศัยแล้ว สเสด็จจาริกไปทางพักฆะชนบทสเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงพักฆะชนบททราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเพสะกลามฤรุคทายวันเมืองสุงสุมาราคิระในพักฆะชนบทนั้น